บัดนี้จะแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายเสืบต่อไปปัญหาของมนุษย์ท่านต่อไปนั้นคือนันทะมนุษย์ได้กลับทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นใจความว่าบุคคลกล่าวว่ามีมุนีอยู่ในโลกนี้ ท่านที่ได้ชื่อว่าเป็นมุนีนั้นต้องประกอบด้วยคุณสมบัติอย่างไรและมีธรรมะเครื่องอยู่อย่างไรพระพุมีพระภาคเจ้าทรงสดแสดงว่าเมื่อก่อนนั้นท้าเราไม่กล่าวว่าบุคคลจะเป็นมุนีเพราะเพียงการศึกษาทิฏฐิไดยานเท่านั้น แต่เรากล่าวถึงบุคคลใดก็ตามที่สามารถทำลายเศนามานให้พินาศไปมีจิตใจไม่หวั่นไปบุคคลเหล่านั้นชื่อว่าเป็นมุนีโดยแท้ถ้าทรมเทศนาที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงนั้นเป็นการแสดงโดยอเนกปริยายคือนัยต่างๆกันออกไปบางครั้ง ก็เป็นการแสดงเรื่องพื้นๆบางครั้งก็เป็นการแสดงระดับเป้าหมายสูงสุดท่านี้เป็นเพราะอะไรเพราะว่าทรงตรวจสอบอินทรีย์หรือความแก่อ่อนแห่งอินทรีย์ของบุคคลเสียก่อนคือศรัทธาความเชื่อวิรยะความเพียรสติความระลึกได้สมาธิความมั่นคงทางใจ และปัญญาวความรอบรู้ของบุคคลนั้นว่ามีข้อที่แตกต่างกันอย่างไรก็จะแสดงจากพื้นฐานนั่นไปเนื่องจากคนเรามีพื้นฐานไม่เหมือนกันเวลาแสดงจึงแสดงไม่เหมือนกันตอนที่รับสั่งตอบ ป, ปัญหาของอุปศิลวะมนุษย์ ท่านูนี้บำเพ็ญเพียรทางจิตมาถึงอรูปปรชันข้อที่สองแล้วข้อที่สมแล้วตรงก็ทรงแสดงจากข้อนี้ไปเพื่อเป็นการเชื่อมต่อขึ้นไปจากจุดที่เขามีอยู่แล้วแต่มาถึงท่านภูณนี้ปรากฏว่าบำเพ็ญเพียรสูงขึ้นไปกว่านั้นอยู่ในชั้นที่จะใช้ปัญญาปินิพพิจนา ทำลายมานและกิเลสมารทำลายทำลายมานและเศนามารให้ปีนาตลงไปได้พระพุทธเจ้าจึงทรงสดแสดงขั้นสูงขึ้นไปแต่ตั้งนี้จะต้องเข้าใจว่าสุตะคือการศึกษาสะดับสับฟังก็ดีทิฏฐิคือความสมบูรณ์ในทิฏฐิก็ดีระยานคือความรู้ในชั้นต่างๆก็ดี แต่ละชั้นก็ทําให้บุคคลได้ชื่อว่าเป็นมุนีในแต่ละระดับตั้งนองการพูดถึงการสร้างบ้านคือเม่เราเราไม่ได้กราบความเป็นบ้านเพียงเสาเกิดขึ้น4เสาก็ถือว่าบ้านแต่ว่า น, นั้นก็คือการสร้างบ้านเสาทั้งสี่เสานั้นเป็นองค์ประกอบของการสร้างบ้านเหมือนกันแต่เมื่อพูดถึงบ้านที่สมบูรณ์เพียงเท่านั้นก็ยังไม่เป็นบ้านที่สมบูรณ์ ดังนั้นการมองธรรมะจึงต้องมองให้ชัดเจนในแต่ละประเด็นเพราะเป็นการแสดงกับบุคคลซึ่งมีพื้นฐานไม่เหมือนกันบางครั้งผู้ศึกษาธรรมะจะต้องเข้าใจโดยนิยปริยายคือละไว้ในฐานที่เข้าใจเช่นทรงแสดงว่าสัตว์ที่ไม่สะดุ้งไม่หวาดกลัวนั้น เกิดเพระมาณะประการหนึ่งเกิดเพราะไม่มีมานะประการหนึ่งสัตว์ที่ไม่สะดุ้งหวาดกลัวเพราะมานะนั้นคือสัตว์ที่ฝึกมาดีแล้วจะมีมานะคือความเข้มแข็งเกิดขึ้นภายในใจโดยมีความสำคัญมีความกำหนดหมายว่าเราเป็นผู้ได้ฝึกปลือมาแล้วเป็นสัตว์อาชาไหนาเป็นช้างอาชานไหนม้าอาชาไนา ก็จะไม่หวาดกลัวตอบภัยอันตรายต่างๆเวลาเข้าสู่สงครามแล้วคนอีกพวกหนึ่งคือไม่หวาดสะดุ้งเพราะไม่มีมา n ะได้แก่พระอรหันต์ทั้งหลายมองดูแล้วคล้ายๆกับาจะมีคนอยู่เพียงสองพวกเท่านั้นเองที่ไม่หวาดไม่สะดุง้งไม่กลัวคนตรงกลางหายไปไหนหมด ข้อนี้เป็นการละไว้โดยฐานที่เข้าใจว่าบุคคลที่เป็นพวกอื่นก็ได้เป็นทหารหรือเป็นสามัญชนทั้งหลายหรือเป็นบุคคลที่เข้าใจปัญหาของชีวิตพร้อมที่จะเผชิญหน้ากับความแตกดับของชีวิตซึ่งแสดงว่าท่านเหล่านั้นจิตมีมณะกับไม่มีมณะเหมือนกันแล้วก็ไม่หวาดไม่สะดุ้งเช่นเดียวกัน เพราะในที่ทั่วไปเราจึงพบคนที่ไม่หวัดไม่สะดุ้งนอกจากที่ทรงแสดงเอาไว้เป็นดั้นกแต่ผู้ศึกษาฝึกเข้าใจว่าบุคคลเหล่านั้นทรงละไว้ในฐานที่เข้าใจคือทรงแสดงเบื้องต่ำกับเบื้องสูงเอาไว้ตรงกลางผู้ศึกษาจะต้องพิจารณาเทียบเคียงเอาเองท่านี้เป็นเพราะอะไรเพราะว่าคนฟังในยุคนั้นในสมัยนั้น มีพื้นฐานที่เข้าใจได้ดีอยู่แล้วดังนั้นในกรณีนี้ก็เป็นเช่นเดียวกันคำมุนีหรือมุนีแปลว่าผู้รู้เป็นคำกล่าวเรียกขานท่านผู้มีพื้นฐานทางการศึกษาการปฏิบัติและการพัฒนาใจมาอยู่ในจุดของดาบดืษสีนะบดประเภ ท, ทต่าง เป็นผู้มีกายสงบมีวาจาสงบซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นถึงใจที่สงบในแต่ละระดับนั้นท่านก็ได้ชื่อว่าเป็นมุนีบางครั้งก็แปลว่าผููนิ่งนิ่งนั้นก็มีอยู่สองอย่างอย่างหนึ่งนิ่งไม่พูดเลยมีพระหันรูปหนึ่งชื่อพระนาลกัตเถระ เป็นหลานชายของสิทธดาบุหรือการาเทวินดาบุตรที่มาเยี่ยมพระโพธิสัตว์ตอนประสูตรใหม่ๆท่านรูปนี้บำคลบำเพ็ญโมเนยยะปฏิปทาคือปฏิปทาของผู้นิ่งไม่พูดจาอะไรอย่างอุกฤษคืออย่างยวดจริงจนในที่สุดได้บรรลุมรรคผลเป็นพระอรหันต์เป็นพระอระหรันต์แล้ังนิ่งเยกวโมเนยยะปฏิปทา คือปฏิภาปฏิปทาของความเป็นผู้นิ่งแต่โดยอีกนัยยะหนึ่งนั้นหมายถึงสภาพจิตที่ได้ฝึกปลือมาดีแล้วจิตจะไม่ฟูขึ้นหรือพุ่ลงเมื่อประสบกับอารมณ์ที่น่าปรารถนาหรือไม่น่าปรารถนาก็ตามเป็นบุคคลที่มีภูมิภูมิธรรมภายในใจเข้มแข็ง ไม่แต่ละระดับจะไม่หวั่นไหวต่อสิ่งทั้งหลายจะแม่แต่สุขหรือทุกข์ก็ตามนันก็เป็นลักษณะของมนุนีโดยความหมายที่สมบูรณ์จริงๆคนที่เป็นชนี้ได้ก็ต้องอาศัยละทำลายดับกิเลสได้หมดสิ้น เพราะว่าสามัญนนชนทั่วไปนั้นอาจจะไม่หวั่นไหวในอารมณ์หนึ่งแต่อีกหลา ย, ลายอารมณ์อาจจะหวั่นไหวก็ได้จึงยังเป็นมุนีที่เที่ยงแท้ยังไม่ได้แต่อย่าลืมว่าก็ได้ชื่อว่าเป็นมุนีในแต่ละระดับจากนี้ในย่างที่สงสดงถึงว่าการปฏิบัติในชั้นศีลที่ไม่เดินไปถึงสมาธิ ก็ยังไม่ชื่อว่าเป็นมุนีที่สมบูรณ์เป็นความสมบูรณ์ในชั้นของสมาธิเท่านั้นแต่บางครั้งบางคราวเรียกความหมายเพียงเพศเท่านั้นเองเช่นในตายะตายนากาาหรือตายนาสุตในสังยุตติกายไใช้คําเรียกบุคคลโดยเพศว่ามุนีเท่านั้นคืออยู่ในชุด แต่เนื้อแต่งตัวอย่างนั้นมีการกําหนดหมายกันว่าอย่างนั้นแล้วก็เรียกท่านผู้นั้นว่าเป็นมุนีซึ่งท่านอาจจะเป็นผู้รู้ผู้สงบหรืออาจจะไม่รู้ไม่สงบก็ได้แต่ก็เรียกโดยการกําหนดหมายเพศเอาดังนั้นคุณธรรมทั้งสามประการในชั้นหนึ่งก็ชื่อว่าเป็นคุณธรรมที่จะทําบุคคลให้เป็นมุนีคือผู้รู้ เป็นผู้สงบไม่หวั่นไหวต่ออำนาจอารมณ์อย่างน้อยที่สุดก็ในระดับไนระดับเนี่ยในที่อื่นเขาเรียกมุนีเหมือนกันแต่พอแสดงโดยปริยายสูงสุดก็ไม่ได้ถือว่าคุณธรรมเพียงทํานี้จะทำให้เป็นมุนีแล้วเพราะมีคุณธรรมเบื้องสูงขึ้นไปอีกที่จะทำให้สมบูรณ์คล้ายๆกับการสร้างบ้านที่ยังไม่สมบูรณ์ก็เรียกว่าบ้านแต่ยังไม่ถือว่าบ้านสมบูรณ์นั่นเอง คุณธรรมทั้งสามประการจึงมีลักษณะเป็นบันไดที่จะนำผู้ประพฤติปฏิบัติให้ดำเนินไปสู่ความเป็นมุนีคือผู้รู้และผู้สงบราะชั้นแรกคือสุตตะให้ลองสังเกตว่าเรื่องของสุตตะคือการศึกษาการสับสบฟังบุตรสมนวนปัจจุบันของการเรียนรู้ทางประสาทสัมผัสทั้งหลาย หรือมีประสบการณ์ตรงทางประสาทสัมผัสมากนั้นเป็นคุณธรรมที่จำเป็นทุกกรณีไม่ว่าจะเป็นกรณีอะไรก็ตามเพราะคนเราเกิดมาท่ามกลางของอวิชชาม้จิตเองก็ถูกอวิชชาขอคุ้มเอาไว้ทำให้บุคคลดำเนินชีวิตไปในลักษณะที่สับสนถูกบ้างผิดบ้าง บางครั้งก็อาจจะผิดมากกว่าถูกดังนั้นการทำในทางพุทธศาสนาจึงมุ่งลดความรุนแรงของอวิชชาคือความไม่รู้การศึกษาซึ่งมีผลต่อการสร้างความเปลี่ยนแปลงในทางจิตคือเป็นการลดละอาวิชชาจึงมีความจำเป็นเป็นภาค พ, พื้นในเบื้องต้น ดันั้นเวลาทรงสดแสดงถึงหลักที่จะนำผู้ปฏิบัติเก้าไปสู่ความมีคุณค่าก็เริ่มต้นด้วยการมีศรัทธาเข้าไปหาเข้าไปหานั่งกกาเมื่อนั่งไกรก็ฟังความธรรมในขณะฟังก็ก็เงี่ยวหูลงฟังธรรมะเหล่านั้นกําหนดข้อความแห่งธรรมะเหล่านั้น จนเกิดความรู้ความเข้าใจในธรรมะเหล่านั้นอนี้ก็คือเรื่องของพระประยิยัติสัจธรรมนั่นเองแต่โดยความหมายที่ทรงประสงค์แล้วหมายถึงการศึกษาที่เต็มตามกระบวนกของเขาเรียนรู้ทางประสาทสัมผัสมากทรงจาไม่ได้มากบางอย่างที่เป็นกดเป็นเกมก็ท่องได้และนาเรื่องเหล่านั้นมาเพ่งพินิพิจนารณาด้วยใจ มองแล้วมองอีกจนเกิดความรู้ความเข้าใจในสิ่งเหล่านั้นในแง่มุมต่างๆตลอดทั้งกระบวนคือเริ่มจากความไม่มีของสิ่งเหล่านั้นแล้วค่อยๆมีขึ้นจนความการดำรงอยู่ในท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงเพราะอาศสาเหตุปัจจัยต่างๆทั้งปัจจัยของการดำรงอยู่และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงของสิ่งเหล่านั้นใละความแตกดับของสิ่งเหล่านั้นและเมื่อแตกดับแล้วจะมีลักษณะฐานะเป็นอย่างไรเป็นต้น นี่ก็หมายถึงความรู้ในเรื่องแต่งๆข้อนี้พึงสังเกตว่าพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นทรงประกอบด้วยพระาญาาที่มองตลอดตรงกลางไปหาปลายและจากตรงกลางไปหาต้นได้ในสุดก็ขยายออกมาเป็นวงกลมที่แตนเรียกว่าสันนบาลีว่าอาตีตังสยานคือความรู้ในเรื่องราวที่เป็นอดีตย้อนอดีตไปไกล จนกำหนดนับกันไม่ได้คือใช้ตัวเลขใช้ภาษาสื่อความหมายกันไม่ได้ว่ามันานเท่าไหร่ด้วยอาศัยภูเพนิวาสานติยานคือการระลึกชาติได้แต่ในขณะเดียวกันก็มีอนาคตั่งสยานคือรู้การอนาคตของพระองค์เองของโลกของพระาศาสนาของเรื่องราวต่างๆบางครั้งก็สมบอกบุคคลเรื่องราวของบุคคลเอาไว้ ในปีพศเท่านั้นเท่านั้นเรานี่ผ่านไปแล้วเท่านั้นเท่านั้นคนนั้นจะเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นเป็นการรู้เรื่องของอนาคตนี่แสดงเห็นว่าในความเข้าใจนั้นเราอาจจะบีบช่วงสั้นลงคือในชั้นของชีวิ ต, ตในชั้นของการทํางานแต่ละอย่างจําเป็นจะต้องมีความเข้าใจทั้งเบื้องต้นเบื้องกลางเบื้องปลายของสิ่งเหนั้นไม่ได้รู้จักเพียงจุดใดจุดหนึ่ง เป็นการพยายามมองปัญหาทุกกรณีให้ตลอดสายของเรื่องแบบนั้นถ้าจะมีปัญหาก็สามารถแก้ปัญหาได้โดยไม่สร้างปัญหาในกรณีนังขึ้นมาอีกในด้านทิฏฐิในความหมายนี้ส่งหมายถึงทิฏฐิสัมปันโนคือความสมบูรณ์ดยทิฏฐิคาว่าทิฏฐิแปลว่าความเห็นในที่นี้หมายถึงกุศล แต่ในที่บางแห่งส่วนมากแล้วมกกักจะหมายถึงอกุศลคือความเห็นผิดแต่ระพุธภาสิขอ้อน้หมายถึงความเห็นชอบที่เรียกว่าทิฏฐิสมปนนะักคนที่ได้ชื่อว่าสมบูรณ์ทิฏฐิจริงๆนั้นคือตั้งแต่ประสดาบันบุคคลขึ้นไปส่วนปุถุชนยังมีความสับสนในด้านความเห็นในความเห็นที่ถือว่า ทำความเห็นของตนให้บริสุทธิ์คือความเห็นที่บริสุทธิ์จะทาบริสุทธิ์ปราศจากอะไรแล้วตอบว่าปราศจากเครื่องเศ้ามองเครื่องสมองคืออะไรคือโมหะโมหะคือความหลงที่ปิดบังปัญญาของบุคคลเ อ, เอาไว้ทำให้มองโลกมองชีวิตมองสรรพสิ่งด้วยความมืดบอดแห่งปัญญาจากสุขดวงตาคือปัญญา มีการกาหนดหมายมีการยุดติดไวขวัญบ่นเพลิดละเมอหาในสิ่งซึ่งโดยสภาพความจริงแล้วเป็นอย่างหนึ่งแต่เพราะความหลงจึงกําหนดไว้เป็นอย่างหนึ่งที่ท่านอุปมาเหมือนกันหลงจับงูในที่มืดก็จะกําหนัดเพลิดเพลินด้วยสัมผัสเหล่านั้น แต่เมื่อบุคคลออกไปสู่ที่สว่างประจักษ์ชัดแก่ใจของตนว่าสิ่งที่หลงจับต้องเพลิดเพลิน อ, อยู่นั้นที่จริงคืออสราพิษร้ก็จะเกิดความไหวตัวที่จะสลัดตนเองให้พ้นจากอสราพิษตอล่นั้นโดยอสราพิดไม่แว้งมากัดเรียกว่าซัดงูให้พ้นคอนั่นเอง นี่ในชั้นของจิตท่านก็เรียกเป็นองค์ของญาณชั้นหนึ่งในพวกวิปัสนาญาณท่านเรียกว่าพยตุปัทานญาณคือมองเห็นเป็นภัยในเรื่องเหล่านั้นมองเห็นเป็นเรื่องที่น่า ก, กลัวทั้งๆ ท, ที่ในช่วงหนึ่งก็กำนัดเพลิดเพลินยินดีกันเดียวนั่นองแต่พอปัญญาปรากฏขึ้นแล้วจะมองเห็นเป็นเรื่องที่น่ากลัวในสิ่งเดียวกันแต่นสภาพจิตที่มอง เป็นสภาพจิตที่แตกต่างกันสภาพจิตที่มองในตอนแรกเป็นสภาพจิตที่ประกอบด้วยโมหะคือความลงสภาพจิตที่มองครั้งที่สองเป็นสภาพจิตที่มีปัญญาหรือมีวิชาเป็นแสงสว่างก็จะพยายามสลัดตนเองให้หลุดพ้นจากสิ่งเหล่านั้นทิฏฐิที่สมบูรณ์หรือว่าทิฏฐิที่วิสุทธ์หรือบริสุทธ์ จึงเป็นความเห็นที่เกิดขึ้นมองสิ่งถึงตั้งกล่าวโดยสรุปว่ารูปนามพูดง่ายๆว่ารูปนามคือมองอะไรก็ได้รูปคือสิ่งที่บุคคลเห็นด้วยตาได้ยินด้วยหูสูดดมด้วยจมกูกลิ้มด้วยลิ้นถูกต้องด้วยกายและนามก็คือสิ่งที่บุคคลรู้ด้วยใจให้เห็นถึงความจริงในสิ่งต่อนั้น เห็นความจริงตามอะไรเห็นความจริงตามใตรหลักที่เรียว่าสามั ญ, ญลักษณะซึ่งถือว่าเกี่ยวเกาะกับชีวิตของบุคคลอยู่ตลอด24ชั่วโมงคือไม่เคยพลากไปไหนเลยนั่นก็คือความไม่เที่ยงแท้แน่นอนของสัตว์แต่สังขารทั้งหลายความเป็นทุกข์ของสัตว์แต่สังขารทั้งหลาย ความเป็นของไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนของสัตว์และสังขารทั้งหลายตลอดถึงวิสังขารคือมรรคนิพาน์ในการมองเห็นนั้นทรงสอนให้มองเห็นเพียงจุดแด่จุดหนึ่งเสียก่อนแล้วในที่สุดค่อยขยายออกไปเมื่อปัญญามีกำลังพอกยๆกล้ๆกับว่า เป็นการฝึกซ้อมในสนามจำลองซะก่อนก่อนจะออกสู่สนามจริงฝึกซ้อมในสนามจำลองได้ต่อไปมันก็ออกสู่สนามจริงได้การเรียนรู้ความจริงในเรื่องเหล่านี้ให้มองเห็นสักจุดหนึ่งและต่อจากนั้นจะเกิดความเปลี่ยนแปลงทางจิตเองอย่างที่ท่านแสดงถึงความต่อเนื่องของความเห็นที่เกิดขึ้นโดยเริ่มมาจากอ น, นิจั ตัวอย่างเช่นการเห็นรูปพิจารณายรูปว่าเป็นของไม่เที่ยงแล้วปัญญาจะเกิดทยอยกันจนได้เห็นอีกสองอย่างจนได้ดังบทสวดที่ท่านกล่าวไว้ว่ารูปไม่เที่ยงรูปใดไม่เที่ยงรูปนั้นเป็นทุกรูปใดเป็นทุกรูปนั้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตน รูปใดไม่ใช่ตัวใช่ตนรูปนั้นไม่ใช่ของเรารูปนั้นไม่เป็นเรารูปนั้นไม่ใช่ตัวใช่ตนของเราแม้ยางอื่นก็มองโดยทํานลองเดียวกันค้อนนี้จะเห็นได้บ้าการที่บุคคลสามารถมองกันรูปนาตามความเป็นจริงแห่งประรัยหลักความเห็นเรานั้นจะขจัดความมืดบอด ที่ก็อให้เกิดความเห็นวิปลาสคือไม่ตรงไม่ยุติต่อความจริงอย่างแท้จริงที่เป็นสัจธรรมเป็นเกิดเป็นกำหนดหมายในสิ่งที่ไม่สวยไม่งามว่าเป็นของสวยงามกิเลสสายราคะตัณหาโลภะก็บังเกิดขึ้นแล้วก็ต่อเนื่องกันไปไม่มีที่สิ้นสุดมีการยึดครองครอบงำหมกมุ่นบุนบวายอยู่กับอารมณ์เหล่านั้น มีการกำหนดหมายในสิ่งที่ไม่เชื่องแท้แน่นอนอานไปว่าเป็นของเชื่องแท้แน่นอนมีการเก็บการสะสมการรวบรวมสิ่งต่ตางตงเอาไว้คล้ายๆกับว่าจะเอาไปได้แต่ก็เอาไปไม่ได้ทั้งๆที่มองเห็นคนอื่นว่าเอาไปไม่ได้แต่ปัญญายังไม่มีปริมาณมากพอที่จะยอมจริงส่วดนี้ความยึดความติด การไขว่คว้าในสิ่งต่งตางๆก็ยังเกิดอยู่ต่อไปมองเห็นสิ่งที่เป็นทุกข์มองเป็นสุขและมองเห็นสิ่งที่ไม่มีอัตตาตัวตนที่แท้แท้อะไรเป็นเพียงการเกาะกลุมของสิ่งทงหลายๆต่นนั้นว่าเป็นตัวเป็นตนพราะความเห็นดั ง, ดงกล่าวนี้เกิดขึ้นได้จะทําทให้บันเทาความรู้สึก ผูกพันในสิ่งนั้นโดยฐานะว่าสิ่งนั้นเป็นของเราหรือโดยตำแหน่งความเป็นว่าเราเป็นอย่างนั้นเราเป็นอย่างนี้หรือโดยอำนาจของความเห็นที่ผิดว่าเป็นตัวเป็นตนของเราความเห็นเหล่านี้ที่จริงมันก็เป็นญาณคือความรู้ระดับหนึ่งเราเรียกว่าวิปัสสนาญาณคือความรู้ที่นับเนื่องในวิปัสสนา มาายถาเป็นความรู้เกิดดับกันเองถ้าเป็นการมองจากสายยานส6บที่เรามักจะพูดถึงยานส6หกันความเห็นในชั้นนี้ก็มาอยู่ตั้งแปก้าแล้วคือลำดับที่8ที่เกไปแล้วแต่ต้องเป็นความรู้เห็นโดยการปฏิบัติไม่ใช่เป็นความรู้เห็นโดยปริยัติ คือการศึกษาเรียนรู้เอาเสร็จรุปว่าจากความรู้ความเห็นเหล่เนี้จะต้องมีความเปลี่ยนแปลงทางจิตท่าจะถามารถเปลี่ยนแปลงอย่างไรเป็นการสลายกิเลสคือตัณหาที่ก่อให้เกิดการยึดถือการกําหนดหมายการขวายคว้าเพราะว่าเป็นของเราเรานาปนะัญะความกระด้างความถือตัว เราต้องดูถูกดูหมิน่นบุคคลอื่นนาที่เสมอบุคคลอื่นแล้วก็ทิฏฐิคือความเห็นที่วิปลาสคลักเคลื่อนเรื่อยไปจนถึงกับยึดมั่นในขันทั้งห้าว่าเป็นของเราคือข้าใจผิดขันห้าเป็นเราเราเป็นขันห้าขันห้าอยู่ในเราเราอยู่ในขันห้าจะมีการกําหนดหมายดังกล่าวขึ้นมา ความรู้สึกเหล่านี้ต้องจางลงไปนั่นคือผลจริงๆที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติธรรมเื่อกกิเลยต้องลดบุคคลจะต้องดูที่ใจตัวเองเป็นไงโทสะลดลงบ้างแล้วยังโลภะลดลงบ้างแล้วยังโมห oh ะลดลงบ้างแล้อยังถ้าลดนั่นคือผลดีของสัมมาวายะคือความพยายามชอ แสดงว่ า, วาความพยายามได้ผลเพราะลดกิเลสได้แต่ถ้ายังลดกิเลสไม่ได้คล้ายๆกับอะไรคล้ายๆกับการปฏิบัติในสีลสีห้าข้อที่หนึ่งเราจะงดเว้นไม่ฆ่าสัตว์ไม่เบียดเบียนไม่ประทุษร้ายสัตว์แต่ก็จึงยัง มาคาดแค้นยังอยากจะทำลายยังอยากจะฆ่าแสดงว่าใจไม่เข้าถึงธรรมะคือเมตตาเราไดเพิ่ ง, งพึ่งพึ่งพึ่งพนำนักทางใจจริงๆจึงยังเกิดขึ้นไม่ได้คล้ายๆกับบุคคลที่ปฏิญาณตนไม่เกี่ยวข้องเรื่องทางเพศแต่จิตใจ ย, ยังหมกมุ่นครุ่นคิดกระสานหาอารมณ์ด่านั้น มีความชื่นชมยินดีกับการเป็นอย่างนั้นของบุคคลอื่นหรือเพลิดเพลินกับความเคยเป็นอย่างนั้นของตนในอดีตหรือปรารถนาไขว้วที่จะได้เป็นอย่างนั้นหรือดีขึ้นกว่านั้นในอนาคตจงตง้องการจะเกิดเป็นเทพประมุขเทพ ธ, ธิดาในสวงสวรรค์มีเทพรบริวารเป็นนั้นมากเป็นต้นถ้าในมาถึงชั้นนี้แล้วถือว่าใจยังไม่ยังสมอง แต่เพิ่งเข้าใจว่านี่เป็นการพูดระดับวิปัสนาญาต์ไม่ใช่เป็นระดับทั่วๆไปอันดับทั่วๆไปกระจ่างลงขนาดนั้นก็ถือว่าถูกต้องดีแล้วแต่พอระดับสูงขึ้นมาก็ต้องจางลงมากกว่านั้นและนั้นคือผลจริงๆที่เกิดขึ้นจากการศึกษาเกิดขึ้นจากความเห็นเกิดขึ้นจากญาติมันแต่ละอย่างจึงเป็นคุณธรรมที่จะนำผู้ปฏิบัติ ให้เข้าถึงความเป็นมุนีในระดับหนึ่งและใกล้ความเป็นมุนีที่สมบูรณ์ขึ้นอีกระดับหนึ่งซึ่งโดยมรรคปฏิปทาเหล่านี้ก็เป็นทางดำเนินของพุทธะทั้งหลายทั้งในอดีตและแม้ในปัจจุบันและจะเป็นเช่นนั้นต่อไปแม้ในอนาคตตอนนี้ไปก็ขอให้ตั้งใจทาความส ง, งบสืบต่อไป